สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมกับมุนนิธิปัญญาภาวนาเสนอรายการธรรมะรับอรุณในทุก ว, วันเบื้อเป็นช่วงกลางประสศุ์ที่เป็นกลังข้อมูลที่มีบทเพล ย, ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้พ้นจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงาม เป็นประสูลป์เรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้อันโดยพระมหาภัยบณ์อาภิปุโ น, โนในวันนี้ก็นำเสนอประสุทธ์ที่ชื่อว่ามหาสักกุลุถาย ในเรื่องที่พระพุทธเจ้าอธิบายอย่างยาวเลยละ่ะให้กับปริพาชกที่ชื่อสักกุลุทายีได้ฟังจึงทาให้ปริพาชกสักกุลุทายีนั้นเกิดความเลื่อมใสเริ่มที่จะมาถึงความลงใจต่อไปพอได้ฟังเรื่องความรู้อะไรเพิ่มเติมอีกมันคือในจุลสักกุลุทายีสูตรก็จึงขอบวช แต่ว่าก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นดูฟังคนเอามันจะเข้าใจเรื่องราวอะไรที่ให้เกิดปัญญาจิตมันก็ต้องสงบก่อนที่จะมาสงบได้มันต้องเอาความข้องใจความกังขาความสงสัยความเคลืบแคลงออกไปก่อนจะเอาความสงสัยความเคลือบแคลงออกไปก็ต้องอฟังทำดูสอบถามข้อไหนข้องใจจึงเป็นเรื่องที่มาในระสูตรนี้นั่นเองต่ฟัง มหาสักกุลุถาญีสูตรคือเป็นพระสูตรเรื่องยาวอธิบายไว้เรื่องที่ว่าทำไมสาวกถึงมาเคารพพระพุทธเจ้าทุกคนมองเพียงผิวเผินว่าโอ้ก็ที่มาพบมาเลื่อมใสมาศรัทธาในพระพุทธเจ้าก็เป็นเรื่องศีลคือมองรู้ผิวเผินนะศีลคือเรื่องผิวเผินที่เห็นได้ด้วยตาสั่งโดยด้วยหู เห็นมีความสันโดษมีชีวรเศร้าหมองอยู่เซนาสนะแบบนี้ข้อปฏิบัติที่เราเห็นได้ทางกายทางวาจาเนี่ยนะทฟังเป็นเพียงเรื่องของศีลเท่านั้นเองแต่พระพุทธเจ้าเรานั้นมีความลึกซึ้งเป็นปัญญาที่โออย่างลงลึกเหมือนมหาสมุทรจะรู้ว่าเท่าไหร่มันลึกมากทพื่อนจึงได้อธิบายเปรียบเทียบไว้ให้สักกุลุทายีฟังสิหมอไม กุฏายีนี่เริ่มเกิดความมั่นใจขึ้นละในวันนี้ก็จะเป็นตอนที่หนึ่งในมหาสักกุลุทายีสูตรเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเหตุทำให้เกิดความเคารพกันมารักใกล้กันมาศรัทธากันโดยเรื่องของสักกุลุฏายีปริภาชกนี้ก็จะแบ่งเป็นสองตอนด้วังสัปดาห์นี้ให้ฟังมหาสักกุลุฏายีในตอนที่หนึ่งสัปดาห์หน้าก็จะมาต่อ เรื่องของตอนที่สองว่าปัญญาความเฉียบแ่ยมของพระพุทธเจ้านั้นมีมากถึงกระนั้นว่าทําให้สาวกนั้นมามีความศรัทธาเลื่อมใสเราก็จะมาต่อด้วยเรื่องของจุลสกุลถ่ายีิสูที่จะมีอุ ป, ปมาอุปไม้เกี่ยวกับความสว่างของแสงหิง่งห้อยไปจนถึงดวงดาวจนถึงดวงอาทิตย์เลยทีเดียวมันจะเป็นในสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ก็ขอเชิญเราฟังมหาสกุลุทายยิสูในตอนที่หนึ่ง พระสูตรว่าด้วยปริภาชกชื่อสกุลุทายีสูตรใหญ่มหาสกุลุทายีสูตรมัชฌิมานิกายเล่มที่ส3บสาข้อที่สองสามสิเดวินัยสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่นพระเวรุวันสถานที่ให้เหยื่อแก่กระแต ในเขตกรุงราชกฤตสมัยนั้นปริพาชกผู้มีชื่อเสียงจํานวนมากคือปริพาชกชื่ออณฐาภาระปริพาชกชื่อพระตระปริพาชกชื่อสักกุลุทายีและปริพาชกเหล่าอื่นที่ล้วนแต่มีชื่อเสียงอาศัยอยู่ในอารามของปริพาชก อันเป็นที่ให้เหยื่อแกน่นกยุงกรณนั้นเป็นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาครองสะบงถือบาทและจีวรเสร็จเข้าไปบินด า, าอยังก ร, งรุงราชกฤตมีพระดาริว่าก็ตอนนี้ยังเช้าเกินไปเที่ยวจะบินดาดในก ร, รุงราชกฤตทางที่ดีเราควรเข้าไปหาสกุลุทายีปริพาชกจนถึงอาราม อันเป็นที่ให้เหยื่อแก่นกยุงตอนนั้นพระผู้มีพระภาคจึงเสด็จเข้าไปังอารามของปริภาชกอันเป็นที่ให้เหยื่อแก่นกกยูงตอนดิรชันคาถาก็สมัยนั้นสักลุทายีปริภาชกกําลังนั่งอยู่กับปริภาชกบริษัทหมูใหญ่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 เรื่องนิคมเรื่องเมืองหลวงเรื่องชนบทเรื่องสตรีและบุุษเรื่องคนกล้าหาญเรื่องตรอกข่าน้ำเรื่องคนที่ล่วงลับไปแล้วเรื่องเบ็ดเล็จเรื่องโลกเรื่องทะเลเรื่องความเจริญและความเสื่อมอย่างนั้นๆในเวลานั้นสักกุลุทายีปริภาชกได้เห็นพระผู้มีพระภาค กำลังเสด็จมาแต่ไกลจึงห้ามบริษัทของตนว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายโปรโดเงียบหน่อยอย่าส่งเสียงอื้ออึงพระสมณโคดมกําลังเสด็จมาพระองค์โปรโดเสียงเบาทรงแนะนําให้พูดกันเบาๆตรัสสรรเสริญคุณของคนที่พูดเสียงเบาบางทีพระองค์ทราบว่าบริษัทเสียงเบาอาจจะเข้ามาหาพวกเราก็ได้ พวกปริพาชกเหล่านั้นจึงได้พากันนิ่งเพราะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงได้เสด็จเข้าไปหาสักกลุตายีปริพาชกถึงที่อยู่สักกลุตายีได้ทูลเชื้อเชิญพระผู้มีพระภาคด้วยคำบาปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอเชิญพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้ามาเถิดขอรับเสด็จ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 จึงได้ตรัสถามสักกลุทายีปริภาชกว่าุตาหยีบัด น, นี้พวกท่านทั้งหลายนั่งประชุมสนทนากันด้วยเรื่องอะไรเรื่องอะไรที่ท่านทั้งหลายสนทนากันค้างไว้สักกลุทายีปริภาชกจึงได้ทูลตอบว่าข่าแต่พระองค์ผู้เจริญเรื่องที่ข้าพระองค์ทั้งหลายนั่งประชุมสนทนากันในเวลานี้ขอ ง, งดไว้ก่อนเถิด เรื่องนั้นพระผู้มีพระภาคจะทรงสดับได้ในภายหลังโดยไม่ยากก็แต่ว่าในวันก่อนๆพวกสมรรามผู้มีละทีต่างกันได้มาประชุมกันที่ศาลาทกถแถลงคือกุตุหลศาลาได้สนทนากันด้วยเรื่องที่ว่าเ่านผู้เชิญทั้งหลายเป็นลาบของชาวอังคะชาวมคตแล้วหนอ ชาวอังคะและชาวมคตได้ดีแล้วหนอะที่สมณรพราหมณ์ผู้เป็นเจ้าหมูเจ้าคณนะเป็นคณาจารย์เป็นผู้มีชื่อเสียงมีเกียรติยศเป็นเจ้าละทิคนจำนวนมากยกย่องกันว่าเป็นคนดีมาเข้าจำปรรสาณนกะรุงราชเครือแล้วคือปูราณะกสปะผู้เป็นเจ้าหมู่เจ้าคณนะเป็นคณาจารย์ เป็นผู้มีชื่อเสียงมีเกียรติยศเป็นเจ้าลทัทธิคนจำนวนมากยกย่องกันว่าเป็นคนดีเข้าจําพรรษาณนกะรุงราชกฤชแล้วคือมคคิลิโคสารออชิตเกสกมพลอุทะกจัยนะสัญชัยเวรัตบุตรนิกรณนาธบุตรและพระองค์ก็เสด็จเข้าจาพรรษาณกนะรุงราชกฤชเหมือนกัน บรรดาท่านสมณพราหมณ์ผู้เป็นเจ้าหมูเจ้าคณะเป็นคณาจารย์เป็นผู้มีชื่อเสียงมีเกยียรติยศเป็นเจ้าละทิคนจำนวนมากยกย่องกันว่าเป็นคนดีนี้ใครเล่าหนอที่สาวทาสากาาาวทั้งหลายสาการะเคารพน้ำผือบูชาและสาวกทั้งหลายสการะเคารพแล้วอาศัยใครเล่าอยู่ตอน เรื่องสิทธิ์ไม่เคารพครูรทั้งหกก็ในที่ประชุมนั้นสมณพราหมณ์บางพวกกล่าวยังนี้ว่าก็ครูปูรณกสปานี้ถึงจะเป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะนะเป็นคณาจารย์เป็นผู้มีชื่อเสียงมีเกียรติยศเป็นเจ้าละทิคนจำนวนมากยกย่องกันว่าเป็นคนดีแต่สาวกทั้งหลาย ก็ไม่ยอมสักการะเคารพนับถือบูชาและสาวกทั้งหลายผู้สักการะเคารพแล้วก็ไม่อาศัยครูปุรณะกกสปะอยู่ก็เรื่องเคยมีมาแล้วครูปุรณะกกสปะแสดงธรรมแก่บริษัทหลายร้อยในบริษัทนั้นสาวกคนหนึ่งของครูปุรณักกสปะได้ทรงเสียงขึ้นว่า ท่านผู้เจริญท่านหลายอย่าถามเนื้อความนี้กับปุรณะกัสปะเลยครูปุรณะกัสปะนี้ไม่รู้เนื้อความพวกนี้พวกเราสิจึงจะรู้เนื้อความนี้พวกท่านจงถามเนื้อความนี้กับพวกเราเถิดพวกเราจะอธิบายให้ท่านฟังครูปุรณกัสปะจึงยกมือทั้งสองขึ้นแล้วกล่าวขอร้องว่า ท้านผู้เะรทั้นหลายจงเงียบเสียงหน่อยอย่าทรงเสียงไปเลยท่านพวกนี้จะ ถ, ถามพวกท่านไม่ได้แต่ถามเราได้เราจะอธิบายให้ท่านฟังก็ไม่สามารถห้ามได้เลยอหนึ่งสาวกของครูปุรณะกัสบาเป็นนันมากพากันยกโทษของท่านขึ้นว่าท่านไม่รู้ทั่วถึงธรรมะิน้ในนี้ แต่ผมรู้ทั่วถึงธรรมะวิ น, นัยนี้ท่านจะรู้ทั่วถึงธรรมะวินัยนี้ได้อย่างไรท่านปฏิบัติผิดแต่ผมปฏิบัติถูกคำของผมมีประโยชน์แต่คำของท่านไม่มีประโยชน์คำที่ควรพูดก่อนท่านกลับพูดภายหลังคำที่ควรพูดภายหลังท่านกลับพูดก่อนเรื่องที่ท่านเคยชินได้ผนไพรไปแล้ว ผมจับผิดคำพูดของท่านได้แล้วผมข่มท่านได้แล้วถ้าท่านมีความสามารถก็จงหาทางแก้ไขคำพูดหรือเลื้องตนให้พ้นผิดเถิดแล้วพากันหลีไปพวกสาวกไม่ยอมสักการะเคารพนับถือบูชาครูปูรณกัสปะด้วยอาการอย่างนี้และสาวกทั้งหลาย เมื่อไม่สัการะเคารพแล้วก็ไม่อาศัยครูปุรณกัสปะอยู่ครูปุรณกัสปักก็ไม่โกรธเพราะเป็นการตำหนิที่ชอบทมก็สมณราหม์บางผู้วกกล่าวอย่างนี้ว่าแม้ครูมักิลิโกสารณนี้ครูอาชิตาเกศกัมพลครูปะกูทากจัยนะ ครูสัญชัยเวรัตบุตรครูนิกรณนัตบุตรถึงจะเป็นเจ้าหมูเจ้าคณะเป็นขณาจารย์เป็นคนที่มีชื่อเสียงมีเกียติยศเป็นเจ้าลทัทธิคนจำนวนมากยกย่องกันว่าเป็นคนดีแต่สาวกทั้งหลายไม่ยอมสักการะเคารพนับถือบูชาและสาวกทั้งหลายสักการะเคารพแล้ว ก็ไม่อาศัยครูนิครนนาดบุตรอยู่เรื่องเกิดมีมาแล้วครูนิครนนาดบุตรแสดงธรรมแก่บริษัทหลายร้อยในบริษัทนั้นสาวกคนหนึ่งของครูนิครนนาดบุตรได้ทรงเสียงขึ้นมาท่านผู้เจริญท่านหลายอย่าถามเนื้อความนี้กับครูนิครนนาดบุตรเลยครูนิครนนาดบุตรนี้ ไม่รู้เนื้อความนี้พวกเราสิถึงจะรู้เนื้อความนี้พวกท่านจงตามเนื้อความนี้กับเราเถิดเราจะอธิบายเนื้อความนี้ให้ท่านฟังเรื่องเป็นมาแล้วครูนี้กรุนน่าดบุดยกมือทั้งสองขึ้นแล้วกล่าวขอร้องว่าท่านผู้เจริญไหลจงเงียบเสียงหน่อยอย่าส่งเสียงไปเลยท่านพวกนี้จะถามพวกท่านไม่ได้ แต่ถามเราได้เราจะอธิบายให้พวกนี้ฟังแต่ก็ห้ามไม่ได้อันหนึ่งสาวกของครูนิกรณนาฏบุตรเป็นนั้นมากพากันยกโทษว่าท่านไม่รู้ทั่วถึงธรรมะวิ น, นัยนี้แต่ผมรู้ทั่วถึงท่านจะรู้ทั่วถึงธรรมะวินัยนี้ได้อย่างไรท่านปฏิบัติผิดแต่ผมปฏิบัติถูกคำพูดของผมมีประโยชน์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 กูชาวก็สมณพราหม์บางผู้วกกล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณโครมองค์นี้ทรงเป็นเจ้าหมู่เจ้ากนะทรงเป็นคณาจารย์เป็นผู้มีชื่อเสียงมีเกียรติยศเป็นเจ้าละทิคนจุนวนมากยกย่องกันมากเป็นคนดีสาวกทั้งหลายสักการะเคารพนับถือบูชาพระองค์นอกจากสักการะเคารพแล้ว ก็ยังอาศัยพระองค์อยู่ด้วยเรื่องเคยมีมาแล้วพระสมณโคดมทรงสแสดงธรรมแก่บริษัทหลายร้อยในบริษัทนั้นสาวกของพระสมณโคดมรูปหนึ่งเกิดอหไขึ้นเพื่อนผู้ประพฤติปรมจัร์รูปหนึ่งจึงใช้เข่าสะกิดเตือนให้รู้ว่าท่านจงเงียบเสียงอย่าส่งเสียงนังไป พระผู้มีพระภาคผู้เป็นศาสดาของเราทั้งหลายกําลังแสดงธรรมก็ในเวลาที่พระสมณโคดมทรงแสดงธรรมแก่บริษัทหลายร้อยจะไม่มีเสียงจามหรือเสียงไอของสาวกของพระสมณโคดมเลยก็หมู่มหาชนมุ่งหวังที่จะฟังธรรมนั้นว่าเราทั้งหลายจะฟังธรรมะที่พระผู้มีพระภาคตรัสแล้วแก่พวกเรา บรุษบีบรังพึ่งซึ่งปราศจากตัวอ่อนที่สี่แยกทางหลวงมูมหาชนก็มุ่งหวังที่จะได้น้ำพึ่งนั้นแม้ฉันใดในเวลาที่พระสมณโคดมทรงแสดงธรรมแก่บริษัทหลายร้อยก็ฉันนั้นเหมือนกันจะไม่มีเสียงจามหรือเสียงไอของสาวกของพระสมณโคดมเลย มูมหาชนมุ่งหวังที่จะฟังธรรมนั้นว่ารัตหลายจะฟังธรรมะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วแก่พวกเราแม่สาวกของสมณโคดมผู้บาดม้าง ก, กับเพื่อนปรมาจารีแล้วลาสิกขาออกไปเป็นกุเรื้อก็ยังกล่าวสรรเสริญพระศาสดากล่าวสรรเสริญพระธรรมและกล่าวสรรเสริญพระสงฆ์ ไม่ติเตียนผู้อื่นตีเตียนเฉพาะตนเองว่าถึงพวกเราจะได้มาบวชในพระธรรมวินัยที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วอย่างนี้แต่ไม่อาจประพฤติปรมาจารย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์จนตลอดชีวิตได้เป็นคนไม่มีบุญมีบุญน้อยเสียแล้วก็สาวกของพระสมณโคดมเหล่านั้น จะเป็นอารามิกาชนก็ดีเป็นอุบาสกก็ดีก็ยังสมาทานประพฤติศกาบท่ประการสาวกทั้งหลายสักการะเคารพนับถือบูชาพระสมณโคดมด้วยอาการอย่างนี้นอกจากสักการะเคารพแล้วก็ยังอาศัยพระสมณโคดมอยู่ด้วยตอนธรรมะเป็นเหตุให้ทําความเคารพ ห้าประการพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าอุทายีเธอพิจารณาเห็นธรรมกี่ประการที่มีอยู่ในเราซึ่งเป็นเหตุให้สาวกของเราสักการะเคารพนับถือบูชาเรานอกจากสักการะและเคารพแล้วก็ยังอาศัยเราอยู่ด้วยสกุลุทายีปริภาชกจึงไนกราบทุนว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์พิจารณาเห็นธรรมะห้าประการในพระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นเหตุให้สาวกทั้งหลายสการะคารพนับถือบูชาพระผู้มีพระภาคนอกจากสการะคารพแล้วก็ยังอาศัยพระผู้มีพระภาคอยู่ด้วยธรรมะห้าประการมีอะไรคือหนึ่งพระผู้มีพระภาคสวยพระกริยาหาน้อย และทรงกล่าวสรรเสริญความเป็นผู้มีอาหารน้อยข้าพระองค์พิจารณาเห็นธรรมะนี้ในพระผู้มีพระภาคเป็นประการที่หนึ่งซึ่งเป็นเหตุให้สาวกทั้งหลายสการะเคารพนับถือบูชาพระผู้มีพระภาคนอกจากสการะเคารพแล้วก็ยังอาศัยพระผู้มีพระภาคอยู่ด้วยข้อที่สองพระผู้มีพระภาคทรงสันโดษ ด้วยจีวรตามมีตามได้และทรงกล่าวสันเสริญความสันโดษด้วยจีวรตามมีตามได้สามพระผู้มีพระภาคทรงสันโดษด้วยบินาบาบตามมีตามได้และทรงกล่าวสันเสริญความสันโดษด้วยบินาบาบตามมีตามได้ข้าพระองค์พิจารณาเห็นธรรมนี้ในพระผู้มีพระภาคเป็นประการที่สองและสาม ซึ่งเป็นเหตุให้สาวกทั้งหลายเคารพนับถือบูชาพระผู้มีพระภาคแล้วเข้าอาศัยอยู่ข้อที่สพระผู้มีพระภาคทรงสันโดดด้วยเสนาสนะตามมีตามได้และทรงกล่าวสันเสริญความสันโดดด้วยเสนาสนะตามมีตามได้พระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้สงัด ทรงสันเสริญความสงัดข้าพระองค์พิจารณาเห็นธรรมะนี้ในปราผู้มีพระภาคเป็นประการที่สี่และห้าซึ่งเป็นเหตุให้สาวกทั้งหลายสการะเคารพนับถือบูชาปราผู้มีพระภาคนอกจากสการะเคารพแล้วก็ยังอาศัยปราผู้มีพระภาคอยู่ด้วยข้าแต่พระองค์ผู้เริญข้าพระองค์พิจารณาเห็นธรรมะหประการนี้แล ที่มีอยู่ในพระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นเหตุให้สาวกทั้งหลายสการะเคารพนับถือบูชานอกจากสการะเคารพแล้วก็ยังอาศัยพระผู้มีพระภาคอยู่ด้วยพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าอุทาจีถ้าสาวกทั้งหลายจะพึงสการะเคารพนับถือบูชาเรา นอกจากส ก, การะเคาร์แล้วก็ยังอาศัยเราอยู่ด้วยเข้าใจดังนี้ว่าพระสมณโคดมสวยพระกริยาหารน้อยและทรงกล่าวสรเสริญความเป็นผู้มีอาหารน้อยอนหนึง่งชาวกทั้งหลายของเราฉันอาหารเพียงหนึ่งโกษศคือด้วยถ้วยเล็กๆ ก, ก็มีเพียงครึ่งโกษศก็มีเพียงเท่าผลมะตูมก็มี เพียงเครื่องผลมะตูมก็มีส่วนเราสิบางครั้งฉันอาหารเสมอขอบปากแบบนี้ก็มียิ่งกว่าก็มีถ้าสาวกจะพึงสักการะเคารพเราแล้วอาศัยเราอยู่ด้วยเข้าใจดังนี้ว่าพระสมณโคดมสวยพระกรยาหารน้อยและทรงกล่าวสันเสริญความเป็นผู้มีอาหารน้อยสาวกทั้งหลายของเรา ผู้ที่ฉันอาหารเพียงหนึ่งถ้วยน้อยเพียงครึ่งถ้วยน้อยเท่าผลมะตูมหรือครึ่งผลมะตูมเหล่านั้นก็คงจะไม่สักการะเคารพนับถือบูชาเราแล้วอาศัยเราอยู่ในธรรมนี้ก็ท่าสาวกทั้งหลายจะพึงสักการะเคารพบูชาเราด้วยเข้าใจว่าพระสมณโคดมทรง สันโดด้วยจีวรถ้ามีตามได้และส่งกล่าวสันเสริญความสันโดดด้วยจีวรตามมีตามได้กอนหนึ่งสาวกทั้งหลายของเราผู้ถือผ้าบาังสุกุลเป็นวัดทั้งครองจีวรเศร้าหมองด้วยเออเหล่านั้นเลือกเก็บผ้าที่ไม่มีชายจากป่าช้าบ้างจากกองขยะ บ, บ้างจากร้านตลาดบ้าง นำมาทำเป็นผ้าสังกติใช้ก็มีส่วนเราสิใช้ขระบดีจีวรเนื้อแน่นเย็บด้วยเส้นได้เหนียวเส้นได้ละเอียดเช่นกับกล น, น้ำเต้าก็ถ้าสาวกทั้งหลายจะพึงสักการะขารบเราด้วยเข้าใจว่าพระสมณโคดมทรงสันโดดด้วยจีวรตามมีตามได้ และกาวสันเสริญความสันโดษ ด, ด้วยจีวรตามีตามได้สาวกตั้งหลายของเราผู้ถือบ้าบางสกุลเป็นวัดผู้ส่งจีวรเส้าหมองเลือกเก็บผ้าที่ไม่มีชายจากป่าชา้าจากกองอยากเยื่อบ้างจากร้านตลาดบ้างเหล่านั้นมาทำเป็นผ้าสังกาติที่ไม่มีชายจากป่าชาบ้างจากกองอยากเยื่อบ้างจากร้านตลาดบ้าง มาทำเป็นผ้าสังกติใ้ก็คงจะไม่สการะเคารพนับถือบูชาเราแล้วอาศัยเราอยู่ด้วยธรมมาณีก็ถ้าสาวกทั้งหลายจะพึ่งสการะเคารพนับถือบูชาเรานอกจากสการะเคารพแล้วก็ยังอาศัยเราอยู่ด้วยเข้าใจดังนี้ว่าพระสมณโคดม ทรงสันโดษด้วยบินดาบาตามมีตามได้และทรงกล่าวสันเสริญความสันโดษด้วยบินดาบาตามมีตามได้นหนึ่งสาวกทั้งหลายของเราเป็นผู้ถือบินดาบาเป็นวัดถือการเที่ยวบินดาบาตามลำดับตรอกเป็นวัดยินดีในวัดคือการรับพัะหารทั้งดีทั้งเลวเธอเหล่านั้นเมื่อเข้าไปถึงละแวกบ้านแล้ว ถึงใครจะนิมนต์ด้วยอาสนะก็ไม่ยินดีส่วนเราสิบางครั้งก็ฉันในที่นิมนต์ล้วนแต่เป็นข้าวสุกแห่งข้าวสาลีที่เขานำกาออกแล้วมีแกงและกับหลายอย่างก็ถ้าหากว่าสาวกทั้งหลายจะพึงสาการะเคารพนับถือบูชาเราเข้าอาศัยเราอยู่ด้วยเข้าใจว่า พระสมณกคดมทรงสันโดดด้วยบินดบาตตามมีตามได้และกล่าวสรรเสริญความสันโดดด้วยบินดบาตตามมีตามได้แล้วชาวกเราผู้ที่ถือบินดบาตเป็นวัดถือการเที่ยวบินดาบาทตามลำดับปรอกเป็นวัดยินดีในวัดคือการรับพัะทหารทั้งดีทั้งเลวก็คงจะไม่สาการะทหรพนับถือบูชาเรา แล้วเข้าอาศัยเราอยู่โดยธรรมนิแน่ก็ถ้าสาวกทั้งหลายจะพึงสการะเคารพนับถือบูชาเราด้วยเข้าใจว่าพระสมณโคตมทรงสันโดดด้วยเสนาสะนะตามมีตามได้และกล่าวสันเสริญความสันโดดด้วยเสนาสะนะตามมีตามได้ก็ต่ว่า สาวกทุกหลายของเราผู้ถือการอยู่โคนไม้เป็นวัดถือการอยู่กลางแจ้งเป็นวัดเธอเหล่านั้นไม่เข้าไปที่มุงบังตลอดแดเดือนส่วนเราสิบางครั้งอยู่ในเรือนยอดที่ฉาบทาทั้งข้างในและข้างนอกลมเข้าไม่ได้มีลิ่มชิดสนิท ด, ดีมีหน้าต่างเปิดปิดได้ ก็ถ้าสาวกทั้งหลายจะพึงสักการะเคารพนับถือบูชาเราเข้าอาศัยเราอยู่ด้วยเข้าใจว่าพระสมณโคดมชงยินดีด้วยเสนาสนะตามมีตามได้และกล่าวสันเสริญความสันโดษ ด, ด้วยเสนาสนะตามมีตามได้แล้วสาวกทั้งหลายของเราผู้ที่ถือการอยู่โคนไม้เป็นวัด ถือการอยู่ในที่แจ้งเป็นวัดไม่เข้าไปที่มุงบังตลอดแเดือนก็คงจะไม่สการะเคารพนับถือบูชาเราแล้วอาศัยเราอยู่ในธรรมนี้แน่ก็ถ้าสาวกทั้งหลายจะพึงสการะเคารพนับถือบูชาเราด้วยเข้าใจว่าพระสมณโคดมเป็นผู้สงัด และทรงกล่าวสรรเสริญความสงัดห น, นึง่งชาวโกทั้งหลายของเราผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดถือเสนาสนะหันสงัดคือป่าชัดอยู่เธอเหล่านั้นยมมาประชุมท่ามกลางสงฆ์เฉพาะเวลาสวดปาฏิโมทุกกึ่งเดือนส่วนเราสิบางคราวก็มากไปด้วยภิกษุภิกษุณีอุบาสก กุบาสิกาพระราชามหาอามาตของพระราชาเดรัจสาวกของเดรัจก็ถ้าสาวกทั้งหลายจะพึงสักการะเคารพนับถือบูชาเราและกข้าอาศัยเราอยู่ด้วยเข้าใจว่าพระสมณโคดมเป็นผู้สงัดและทรงกล่าวสรรเสริญความสงัด สาวกทั้งหลายของเราผู้ถือการอยู่ป่าเป็นวัดถือเสนาสนะหั่นสงัดคือป่าชัดอยู่ย่อมมาประชุมท่ามกลางสงฆ์เฉพาะเวลาสวดปาติโมกทุกครึ่งเดือนก็คงจะไม่สักการะเคารพนับถือบูชาเราแล้วอาศัยเราอยู่โดยธรรมนี้อุธัยสาวกทั้งหลายย่อมไม่สักการะเคารพ นับถือบูชาเราแล้วอาศัยเราอยู่โดยทำห้าประการด้วยอาการอย่างนี้ตอนธรรมะเป็นเหตุให้ทำความเคารพประการอื่นๆอุทายีมีธรรมะห้าประการอื่นอีกซึ่งเป็นเหตุให้สาวกตั้งหลายของเราสักการะเคารพนับถือบูชาเรานอกจากสักการะ พอรบแล้วก็ยังอาศัยเราอยู่ธรรมะห้าประการอะไรบ้างคือหนึ่งสาวกทั้งหลายของเราย่อมสรรเสริญเราในอธิศีนว่าพระสมณโคดมเป็นผู้มีศีลประกอบด้วยศีละกันอย่างยิ่งการที่สาวกทั้งหลายของเราสรรเสริญเราในอธิศีนว่า สมณโคดมเป็นผู้มีศีลประกอบด้วยศีลลขันอย่างยิ่งนี้แหลเป็นธรรมะประการที่หนึ่งซึ่งเป็นเหตุให้สาวกทั้งหลายของเราสักการะเคารพนับถือบูชาเรานอกจากสักการะเคารพแล้วก็ยังอาศัยเราอยู่ด้วยข้อที่สองสาวกทั้งหลายของเราย่อมสรรเสริญเราในยานะทัศนะ อันยอดเยี่ยมว่าพระสมณโคดมเมื่อทรงรู้เองก็ตรัสว่าเรารู้เมื่อทรงเห็นเองก็ตรัสว่าเราเห็นทรงแสดงธรรมเพื่อความรู้ยิ่งไม่ใช่เพื่อไม่รู้ยิ่งทรงแสดงธรรมมีเหตุผลพร้อมไม่ใช่ไม่มีเหตุผลพร้อมทรงแสดงธรรมมีปาฏิหาร คือน้าถึงไม่ใช่ทรงแสดงธรรมไม่มีปาฏิหาริย์การที่สาวกต้นลายของเราสันเสริญเราในญาณทัศน์อันยอดเยี่ยมนั้นนี่แหละเป็นธรรมะประการที่สองซึ่งเป็นเหตุให้สาวกต้นลายของเราสักการะเคารพนับถือบูชาเรานอกจากสักการะเคารพแล้วก็ยังอาศัยเราอยู่ด้วย ก้อที่สามสาวกทุนหลายของเราย่อมสันเสริญเราในอธิปัญญาว่าพระสมณโคดมทรงมีพระปัญญาประกอบด้วยพระปัญญาขันอันยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่พระสมณโคดมจะไม่ทรงเล็งเห็นถ้อยคำที่ยังไม่มาถึง หรือจะไม่ทรงค่มคําโต้เฉียงของฝ่ายอื่นที่เกิดขึ้นแล้วให้เป็นการถูกต้องมีเหตุผลดีก็ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรมีบ้างไหมที่สาวกทั้งหลายของเราเมื่อรู้เห็นอย่างนี้จะพึงพูดสอดขึ้นมาข้อนั้นไม่มีเลยพระเจ้าอุดายี เราไม่หวังการพร่มสอนจากสาวกทั้งหลายที่แท้สาวกทั้งหลายย่อมหวังการพร่มสอนจากเราเท่านั้นการที่สาวกทั้งหลายของเราย่อมสรรเสริญเราในอธิปัญญาว่าพระสมณโคดมทรงมีพระปัญญาทรงประกอบด้วยพระปัญญากาขนาดยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่พระสมณโคดม จะไม่ทรงเล็งเห็นถ้อยคำที่ยังไม่มาถึงหรือจะไม่ทรงข่มคาโตเถียงของฝ่ายอื่นที่เกิดขึ้นแล้วให้เป็นการถูกต้องมีเหตุผลดีได้นี่แลเป็นตระมะประการที่สาซึ่งเป็นเหตุให้สามกทค้งหลายของเราสักการะเคารพนับถือบูชาเรานอกจากสักการะเคารพแล้วก็ยังอาศัยเราอยู่ด้วย กตสาวกทั้งหลายของเราผู้ถูกทุกท่วมทับแล้วถูกทุกกราบแงมแล้วเราทุกใดเธอเหล่านั้นจึงเข้ามาหาเราแล้วถามถึงทุกขอริยสัตย์นั้นเราถูกเธอเหล่านั้นถามถึงทุกขาริยสัตย์ก็ตอบได้เราทําให้เธอเหล่านั้นมีจิตยินดีเชื่มชื่นด้วยการตอบปัญหา เธอเหล่านั้นเข้ามาหาเราแล้วถามถึงทุกขะสมุทัยอริยสัจถามถึงทุกขนิโรธาอริยสัจถามถึงทุกขะนิโร ท, าร ท, า ท, โรทาคามินีปฏิปทาอริยสัจเราถูกเธอเหล่านั้นถามถึงสัจจะเหล่านั้นแล้วก็ตอบได้เราทำให้เธอทั้งหลายเหล่านั้นมีจิตยินดีเช่มชื่นด้วยการตอบปัญหา การที่สาวกทั้งหลายของเราผู้ถูกทุกข่วมทับแล้วถูกทุกกราบงำแล้วเราทุกใดเธอเหล่านั้นจึงเข้ามาหาเราถามคําถามแล้วเราก็ตอบได้ทําให้เธอเหล่านั้นมีจิตยินดีเชื่มชื่นด้วยการตอบปัญหานี้แลเป็นธรรมะประการที่สี่ซึ่งเป็นเหตุให้สาวกทั้งหลายของเราสาการะคารพ นับถือบูชาเราและเข้าอาศัยเราอยู่ด้วยข้อที่5เราได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายของเราผู้ปฏิบัติตามย่อมเจริญสติปัฏฐาน4ประการคือภิกษูในธรรมวิ น, นัยนี้พิจารณาเห็นกายในกายพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย พิจารณาเห็นจิตในจิตพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดความพอใจและความไม่พอใจในโลกได้พราบเจริญสติปัฏฐานสี่ประการนั้นแลสาวกของเราเป็นนันมากจึงได้บรรลุที่สุดแห่งอภิญญาและอภิญญาบรมีอยู่อีกประการหนึ่ง เราได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลายของเราผู้ปฏิบัติตามเจริญสมมติฐานสี่ประการคือภิกษุในธรรมิวันนี้สร้างฉันทะความพยายามปรารรความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อป้องกันบาปอากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นสร้างฉันทะพยายาม ปรารบความเพียรประคองจิตมุ่งมัน่นเพื่อละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วสั้งชันทะพยายามปรารบความเพียรประคองจิตมุ่งมัน่นเพื่อทำกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นสั้งชันทะพยายามปรารบความเพียรประคองจิตมุ่งมัน่น เพื่อความดำรงอยู่ไม่เลือนหายพิโยภาพไพยบู์เจริญเต็มที่แห่งกุศลตรรมที่เกิดขึ้นแล้วเพราะเจริญสมมระทานสี่ประการเหล่านี้แลสาวกของเราเป็นอันมากจึงได้บรรลุที่สุดแห่งอภิญญาและอภิญญาบารมีอยู่อีกประการหนึ่งเราได้บอกข้อปฏิบัติ แก่สาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายของเราผู้ปฏิบัติตามเจริญอิทธิบาทสี่ประการคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทะสมาธิประธานสังขารคือสมาธิที่เกิดจากฉันทะและความเปลี่ยนสร้างสรรค์ข้อที่2เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิริยะ มีสมาธิเป็นประาธานสังขารคือสมาธิที่เกิดจากวิริยะและความเปลี่ยนสร้างสรรค์กริสามเจริญอิธิบาทสที่ประกอบด้วยจิตตสมาธิประธานสังขารคือสมาธิที่เกิดจากจิตต a และความเลี่ยนสร้างสรรค์กริีีเจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยบิมังสาสมาธิ ประธานสังขารคือสมาธิที่เกิดจากวิมังสาและความเพียรสร้างสรรค์เพราะเจริญอิทธิบาทสประการ น, นั่นแลสาวกของเราเป็นนันมากจึงได้บรรลุที่สุดแห่งอภิญญาและอภิญญาบรมีอยู่อีกประการหนึ่งเราได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายของเรา ผูปฏิบัติตามเจริญอินทรีย์5ประการคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญอินทรีย์คือศรัทธาที่ให้ถึงความสงบให้ถึงความตรัสรู้เจริญอินทรีย์คือวิริยะเจริญอินทรีย์คือสติเจริญอินทรีย์คือสมาธิและเจริญอินทรีย์คือปัญญาที่จะให้ถึงความสงบ ให้ถึงความตรัสรู้เพราะเจริญอินสี่ห้าประการเหล่านั้นแลสาวกของเราเป็นนันมากจึงได้บรรลุที่สุดแห่งอภิญญาและอภิญญาบารมีอยู่อีกประการหนึ่งเราได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายของเราผู้ปฏิบัติตามเจริญพละคือทาอันเป็นกําลัง ห้าประการคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญศรัทธาภละที่ให้ถึงความสงบให้ถึงความตรัสรู้เจริญบุริยภละเจริญสติภละเจริญสมาธิพละเจริญปัญญาภละที่จะให้ถึงความสงบให้ถึงความตรัสรู้เพราะเจริญพละห้าประการนั่นและ สาวกของเราเป็นนันมากจึงได้บรรลุที่สุดแห่งอภิญญาและอภิญญาบารมีอยู่อีกประการหนึ่งเราได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกทุกไหลสาวกทั้งห ล, งหลของเราผู้ปฏิบัติตามเจริญโพชงคือองค์ธรรมแห่งการประสรูเจ็ดประการคือภิกษุในธรรมะวินัยนี้ เจริญสติสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อความสละคือโวสกะเจริญธรรมวิจยสัมโพชฌงค์เจริญวิริยสัมโพชฌงค์เจริญปีติสัมโพชฌงค์เจริญปัสสธิสัมโพชฌงค์เจริญสมาธิสัมโพชฌงค์เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์ อันแต่ละอย่างอาศัยความวิเวคอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธและน้อมไปเพื่อความสลักคือวสัสคะเพราะเจริญพชอจงเจ็ดประการนี้แลสาวกของเราเป็นนันมากจึงได้บรรลุที่สุดแห่งอภิญญาและอภิญญาบรมีอยู่อีกประการหนึ่งเราได้บอกข้อปฏิบัติ แก่สาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายของเราผู้ปฏิบัติตามเจริญอริยมรรคมีองค์แปดคือภิกษุในธรรมะเวไนนี้เจริญสัมมาทิฏฐิเจริญสัมมาสังกัปปะเจริญสัมมาวาจาเจริญสัมมากรรมตะเจริญสัมมาชีวะเจริญสัมมาบายามะเจริญสัมมาสติ เจริญสมาธิเพราะเจริญอริยมรรคมีองค์8ดนั้นแลสาวกทั้งหลายของเราเป็นอันมากจึงได้บรรลุที่สุดแห่งอภิญญาและอภิญญาบา ร, รมีอยู่อีกประการหนึ่งเราได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายของเราผู้ปฏิบัติตามเจริญวิโมกคือทำเครื่องหลุดพน้น แปดประการคือ1สาวกผู้มีรูปเห็นรูปทั้งหลายนี้เป็นวิโมดประการที่หนึ่งสาวกผู้มีอรูปสัญญาภายในเห็นรูปทั้งหลายภายนอกนี้เป็นวิโมดประการที่สองสาวกน้อมใจไปว่างามนี้เป็นวิโมดประการที่สาสาวกบรรลุ อากาสานันใจยตนะโดยกำหนดว่าอากาศหาที่สุดมไดาอยู่เพราะล่วงรูปสัญญาเพราะความดับไปแห่งปฏิกัสสัญญาเพราะการไม่กำหนดหนานัตตาสัญญาโดยประการทั้งปวงนี้เป็นวิโมกประการที่สี่ชาวบกล่วงอากาสานันใจยตนะโดยประการทั้งปวงบรลุ วิญญาณัญจายตนะอยู่โดยกำหนดว่าวิญญาณหาที่สุดไม่ได้นี่เป็นวิโมกข์ประการที่ห้าสาวกล่วงวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวงบลุอากินจัญญายตนะโดยกำหนดว่าไม่มีอะไรอยู่นี่เป็นวิโมกข์ประการที่หกสาวกลวงอากินจัญญาายตนะ โดยประการทั้งปวงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะอยู่นี่เป็นวิโมกประการที่เจ็ดเหล่าสากลวงเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวงบรรลุสัญญาเวทายตะนิโรธอยู่นี่เป็นวิโมกประการที่แปดเพราะเจริญวิโมกแปดประการ น, นี้แลสาวกของเราเป็นหนันมาก จึงได้บรรลุที่สุดแห่งอภิญญาและอภิญญาบารมีอยู่อีกประการหนึ่งเราได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายของเราผู้ปฏิบัติตามเจริญอภิพภาญตรนะณะแปประการคือหนึ่งสาวกกู่หนึ่งมีรูปสัญญาภายในเห็นรูปทั้งหลายภายนอกขนาดเล็ก มีสีสันดีหรือไม่ดีครอบงารูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี้เป็นอภิพายตนะประการที่หนึ่งสาวกผู้หนึ่งมีรูปสัญญาภายในเห็นรูปทั้งหลายภายนอกขนาดใหญ่มีสีสันดีหรือไม่ดีกรอบงารูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่า เรารู้เราเห็นนี้เป็นอภิพายตนะประการที่สองสาวกผู้หนึ่งมีอารูปสัญญาภายในเห็นรูปทั้งหลายภายนอกขนาดเล็กมีสีสันดีหรือไม่ดีกราบงำรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี้เป็นอภิพายตนะประการที่สาม สาวกผู้หนึ่งมีรูปสัญญาภายในเห็นรูปทั้งหลายภายนอกขนาดใหญ่มีสีสันดีหรือไม่ดีครอบงำรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี้เป็นอภิภายตนะประการที่ 4. สี่สวกผู้หนึ่งมีอะรูปสัญญาภายในเห็นรูปทั้งหลาย ภายนอกสีเขียวมีสีเขียวเปรียบด้วยของเขียวมีสีเขียวเข้มดอกผักตบที่เขียวมีสีเขียวเปรียบด้วยของเขียวมีสีเขียวเข้มหรือผ้าเมืองพาราณสีอันมีเนื้อละเอียดทั้งสองด้านที่เขียวมีสีเขียวเปรียบด้วยของเขียวมีสีเขียวเข้ม แม้ฉันใดสาวกผู้หนึ่งมีอรูปสัญญาภายในก็ฉันนั้นเหมือนกันเห็นรูปทั้งหลายภายนอกที่เขียวมีสีเขียวเปรียบด้วยของเขียวมีสีเขียวเข้มกรอบงำรูปทั้งหลายเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี้เป็นอภีป า, ายตนะประการที่ห้า ก็สาวกผู้หนึ่งมีอะรูปสัญญาภายในเห็นรูปทั้งหลายภายนอกที่เหลืองมีสีเหลืองเปรียบด้วยของเหลืองมีสีเหลืองเข้มก็ดอกกัิกาที่เหลืองมีสีเหลืองเปรียบด้วยของเหลืองมีสีเหลืองเข้มหรือผ้าเมืองพรารณสีอันมีเนื้อละเอียดทั้งสองด้านที่เหลือง มีสีเหลืองเปรียบด้วยของเหลืองมี ส, ส, <speakers. S 2> สีเหลืองเข้มแม้ฉ <Thailand> ันใดสาวกผู้หนึ่งที่มีอรูปสัญญาภายในก็ฉะนั้นเหมือนกันเห็นรูปทั้งหลายภายนอกที่เหลืองมีสีเหลืองเปรียบด้วยของเหลืองมีสีเหลืองเข้มแม้ฉันใดสาวกผู้หนึ่งมีอรูปสัญญาภายใน ก็เช่นนั้นเหมือนกันเห็นรูปทั้งหลายภายนอกที่เหลืองมีสีเหลืองเปรียบด้วยของเหลืองมีสีเหลืองเข้มครอบงำรูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี้เป็นอภีพายตนะประการที่หกก็สาวกผู้หนึ่งมีอรูปสัญญาภายในเห็นรูปทั้งหลายภายนอก ที่แดงมีสีแดงเปรียบด้วยของแดงมีสีแดงเข้มดอกชบาที่แดงมีสีแดงเปรียบด้วยของแดงมีสีแดงเข้มหรือผ้าเมืองบาราสีอันมีเนื้อละเอียดทั้งสองด้านที่แดงมีสีแดงเปรียบด้วยของแดงมีสีแดงเข้มแม้ฉันใด สาวกผู้หนึ่งมีอรูปสัญญาภายในก็เชนนั้นเหมือนกันเห็นรูปทั้งหลายภายนอกที่แดงมีสีแดงเปรียบด้วยของแดงมีสีแดงเข้มครอบงํารูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็นนี้เป็นอภิภายยตนะประการที่เจ็ก็สาวกผู้หนึ่ง มีอรูปสัญญาภายในเห็นรูปทั้งหลายภายนอกที่ขาวมีสีขาวเปรียบด้วยของขาวมีสีขาวเข้มดาวประกายปรึกที่ขาวมีสีขาวเปรียบด้วยของขาวมีสีขาวเข้มหรือผ้าเมืองพาราณสีอันมีเนื้อละเอียดทั้งสองด้านที่ขาวมีสีขาว เปรียบด้วยของขาวมีสีขาวเข้มแม้ฉันใดสาวกผู่หนึ่งมีอรูปสัญญาภายในก็ฉันนั้นเหมือนกันเห็นรูปทั้งหลายภายนอกที่ขาวมีสีขาวเปรียบด้วยของขาวมีสีขาวเข้มกรอบงารูปเหล่านั้นได้มีสัญญาอย่างนี้ว่าเรารู้เราเห็น นี้เป็นอภิพายตนะประการที่8ปพระเจริญอภิพายตนะ8ประการนี่แลสาวกของเราเป็นอันมากจึงได้บรรลุที่สุดแห่งอภิญญาและอภิญญาบารมีอยู่อีกประการหนึ่งเราได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายของเราผู้ปฏิบัติตาม จเจริญกสิณญยาณตนะคือบอ่อเกิดแห่งธรรมมีกสิณเป็นอารมณ์สิบประการคือสาวกผู้หนึ่งย่อมรู้ชัดกสิณดินเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางไม่มีสองไม่มีประมาณสาวกผู้หนึ่งย่อมรู้ชัดซึ่งกสิณ น, น้ำกสิณไฟกสิณลมกสิณสีเขียว กสินสีเหลืองกสินสีแดงกสินสีขาวกสินที่ว่างเปล่าและกสิลวิญญาณเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางไม่มีสองไม่มีประมาณพระเจริญกสินายตนะสิบประการนั้นแหลสาวกของเราเป็ น, นันมากจึงได้บรรลุที่สุดแห่งอภิญญาและ ถ้พิญญาบรมีอยู่ตอนฌานสี่อีกประการหนึ่งเราได้บอกข้อปฏิบัติแก่สาวกทั้งหลายสาวกทั้งหลายของเราผู้ปฏิบัติตามเจริญฌานสี่ประการมหาสกุลุทายีิสูตรยังมีต่อตอนที่หนึ่ง และที่ท่านเดรัฟังจบไปนั้นคือมหาสะกุลุทธายสูตรเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าอธิบายให้ปริภาโชคที่ชื่อว่าสักุลุธายิถึงความแยคาขความเฉียบแหลมในธรรมะอันนนี้ที่ไม่ได้เห็นเพียงผิวเผินเรื่องของศีลแต่คนที่จะจะมีความลงใจกันเคารพกันและมีเรื่องสมาธิด้วยมีเรื่องปัญญาด้วย อ่านโดยพระมหาไยบุ์อาภีปุณโ น, โนในรายการธรรมรับรุญช่วงของขังประสูติทุกวันพฤหัสตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าโดยมูลนิธิปัญญาปาวนาแลวพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เริญผ่อน